มอวนมีคนถามเรื่องนิวรณ์ห้าวิธีแก้นิวรณ์ห้าเวันนี้ไม่มีแรงจะตอบวันนี้พักเอาแรงเนะีย๋ยวจะลองตอบดูว่านม้ต้องห้าอ น, นิวรณ์แปลว่าอุปสรรคที่ขวางกันการทำใจให้สงบ เวลาจะนั่งสมาธินี่เรามักจะเจอนิวรณเจออุปสรรคต่างๆในทางในคำภีท่านก็แสดงไว้ว่ามีนิวรณมีอุปสรรคอยู่ห้าประการด้วยกันที่จะเป็นเครื่องกีดขวางการบำเพ็ญจิตตะภาวนา เพื่อทำใจให้สงบเพื่อทำใจให้มีความสุขอันแรกเรียกว่าวิจิกิจชาความสงสัยความรังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้อที่สองเรียกว่ากามฉันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสข้อที่สามความ ้ง่าความฟุ้งซ่านข้อที่สี่ความเม่ว ง, งเหมงเหงาหาวนอนข้อที่ห้าความโกรธนี่คืออุปสรรคเวลาที่จะนั่งสมาธิจะทำใจให้สงบบางทีจะมีอุปสรรคเหล่านี้เกิดขึ้นวิจิตกิจฉาความรังเลสงสัย ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสอนแล้วจริงหรือไม่พุทธโธพุทธโธไปแล้วจิตจะรวมเป็นเข้าสู่ความสงบจิตจะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่บางทีไม่มั่นใจไม่แน่ใจก็เลยไม่ยอมทุ่มเทให้กับการบริกรรมพุทธโธพุทธโธเหมือนกับแทงหวยวันนี้ เขาบอกออกเขาบอกจะออกเลขนี้แต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ไม่ยอมทุ่มเทมไปถ้าเรามั่นใจว่าเลขนี้ออกแน่ๆมีกี่ร้อยกี่พันกี่แสนก็แทนมันไปหมดเลยนี่คือความไม่มั่นใจในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่คำสอนของพระพุทธเจ้านี้ เป็นสว่างขาโตพระกวตาธรมโมหรือไม่เป็นหน่างที่พระพุทธเจ้าทรงบอกหรือไม่ว่าถ้าฝึกสติถ้าจเจริญพุโทโธอยู่อย่างต่อเ น, นื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับเวลานั่งสมาธิแล้วบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปไม่ให้ไปคิดอะไรจิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้เข้าสู่ความสงบ เข้าสู่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้ดนี่วิธีที่จะแก้ความสงสัยก็คือต้องเข้าไปหาคนที่เขาปฏิบัติแล้วเช่นไปหาพระอาริยรสงสารกกูบาจารย์พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรมจากท่านแล้วท่านก็จะยืนยันนอนยัน ว่าการเจริญสตินี้มีผลอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำกันถ้าเราอย่างไม่มั่นใจถ้าไปหาครูบาอาจารย์ไม่ได้ก็เอาหนังสือของท่านมาอ่านอันนี้มีหนังสือต่างๆที่เขียนเกี่ยวกับครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวท่านก็เขียนประวัติหลวงปู่มั่น ถ้าอ่านหนังสือประวัติหลงปู่มั่นอ่านหนังสือปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานที่ท่านเจริญสติพุทโธพุทโธไปอยู่ในปานใ่าในเขาใช้พุทโธกล่อมใจทำใจให้สงบพระเหล่านี้ไม่มีใครปฏิเสธว่าพุทโธนี้ไม่มีผล ทุกลูกทุกองจะรับรองว่ามีผลเหมือนกับถ้าคนนี้ไปไปหาหมอดูคนนี้หมอดูบอกเลขนี้มาแล้วแทงแทงทีไรก็ถูกทุกทีเนี่ยเดี๋ยวคนก็แห่ไปกันเหมือนอย่างนี้ได้ข่าวว่าชอบไปแถวคําชทโนดกันพน ะ, ะไปที่นั่นเรามักจะถูกหวยอ่ะ น, นะอันนี้ถ้าเรา มีความมั่นใจเราก็จะทำ อ, ะอยู่ไกลแสนไกลก็กจะถอไปคนแถวนี้ยังอุตส่าห์เดินทางไปคำชนวดกันเพราะมีความเชื่อมีความศรัทธาแต่พอไปแล้วไม่ถูกก็หมดเสื่อมศรัทธาแสดงว่าไม่ใช่เป็นของจริงแต่ พอทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าใครถ้าศึกษาแล้วนำเอาไปปฏิบัติจะรับรองกันทุกคนว่าเป็นความจริงเป็นของจริงฝึกสติพุโทธโธพุทโธแล้วเดี๋ยวจะได้สมาธิได้ความสงบได้ความสุขแล้วจากสมาธิก็สามารถที่จะไปเจริญปัญญาต่อได้ เมื่อมีสมาธิมีปัญญารวมกันก็สามารถตัดกิเลสได้หยุดความอยา ก, กต่างๆได้หยุดการเวียนว่าตายเกิดได้อันนี้จะทำให้เรามีความมั่นใจในวิถีทางการปฏิบัติจิตตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนายันถ้าเรายังมีความสงสัยไม่มั่นใจ ในพระพุทธธรรมพระสงค์ก็ขอให้เราศึกษาศึกษาจากพระพุทธเจ้าก็ได้คำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกอันนี้ก็เราก็จะเกิดศรัทธาได้จะเกิดความเชื่อได้พระไตรปิฎกนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วก็พระสาวกทรงจำ จดจํากันเอาไว้ถ่ายทอดกันมาเป็นช่วงๆ <c oughs> แล้วพอมาถึงในสมัยที่มีการ อ, าอ่านออกเขียนได้ก็เลยมีการบันทึกเป็นอักษรเป็นตัวหนังสือเป็นหนังสือให้อ่านกัน <c oughs> ถ้าเราอ่านหนังสือพระไตรปิฎกบ่อยๆเรื่อยๆแล้วเราจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริง เชื่อว่าพระธรรมคําสอนเป็นคําสอนที่เป็นประโยชน์จริงๆเชื่อว่ามีผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนําออกไปปฏิบัติจนได้สําเร็จได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้สง่งได้รับผลกลายเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมากลายเป็นผู้ที่มารับรองคําสอนของพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นคําสอนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ มีผลต่อผู้ปฏิบัติอย่างแน่นอนอันนี้คือวิธีแก้ความสงสัยการจะปฏิบัติทางพระพุทธศาสนานี้ต้องศึกษาก่อนถ้าไม่ศึกษาแล้วไปปฏิบัติเลยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาได้พอปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลก็เลยเกิดความไม่มั่นใจเพราะปฏิบัติไม่ถูกนั่นเอง ปฏิบัติเพียงแวบเดียวก็จะให้ได้ผลพุทโธสองสามวินาทีแล้วก็อยากจะให้ได้ผลนั่งพุทโธไปได้สองสามวินาทีก็ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่งไปต้องนานพุทโธไม่รู้หายไปไหนมีแต่เรื่อ ง, องนั้นเรื่องนี้เข้ามาตลอดเวลานั่งเลยไม่เห็นมีผลอะไรก็เลยบอกว่าทำสอนนี้ไม่ถูก คำสอนนะถูกแต่คนทำไม่ถูกทำไม่ทำตามคำสอนไปถามคนที่เขาทำตามคำสอนเอดิมเขาทำแล้วเขาได้ผลเขาพุโทโธพุโทโธฟาสเจิดร่วงพข้สู่ความสงบอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องศึกษากันศึกษาจากคนที่มีประสบะการณ์อย่าไปศึกษากับคนที่ไม่มีประสบะการณ์ คนที่ยังไม่ปฏิบัติหรือยังปฏิบัติไม่ได้ผลนี่ไม่คุยกับเขาเดี๋ยวจะทําให้เราเขวได้เดี๋ยวก็จะบอกให้เปลี่ยนเอาวิธีนั้นเอาวิธีนี้เอาอย่างนูน้นเอาอย่างนี้อก็เลยไม่รู้จักต้นชมปลายไม่ถูกว่าจะเอาอย่างไหนกันแน่เพะฉะนั้นขอให้เราศึกษาจากผู้ที่ผ่านมาแล้วผู้ที่ได้รับผลแล้วอ จะทำให้เรามีความมั่นใจถึงแม้ว่าเรายังจะไม่ได้ผลก็เราก็จะมีความอดทนเราจะมีความใจเย็นที่จะพยายามฝึกไปเรื่อยๆฝึกสติไปเรื่อยๆจะนอนฟุธโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพอนั่งก็จะได้ผลเองถ้าสติดีถ้าสติไม่ขาดตอน ป้าสติต่อเนื่องรับรองได้ว่าจิตจะต้องสงบเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทําให้จิตสงบได้นอกจากสติ น, นั้นหนึ่งดังนั้นขอให้เราศึกษาจากผู้รู้จริงเห็นจริงศึกษาจากพระพุทธเจ้าศึกษาจากพระอริยสงสาวกเนี่ยอย่างเมื่อวานนี้มีคนถามปัญหาว่าถ้าเราได้ศึกษาความสอนแล้วเรายังไม่ได้ปฏิบัตินี่ ควรยาไปสอนคนอื่นหรือไม่ไม่ควรเพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติเรายังไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวของเราเองเหมือนกับไปซื้อของมาแล้วเขาบอกเป็นซื้อทองคำมาแล้วเขาบอกว่าเป็นทองแท้ก่อนที่เราจะมาขายเราก็ต้องไปพิสูจน์ก่อนว่าเป็นทองแท้หรือเปล่าถ้าไม่เป็นทองแท้แล้วเดี๋ยวไปขายเขาบอกว่าเป็นทองแท้ก็จะถูกจับ ก็หาหลอกลวงหรือไปรักษากับหมอหมอให้ยามาถ้ายังไม่กินยายังไม่รู้ว่ายาที่หมอให้มารักษาโรคได้หรือเปล่าจะเอาไปให้คนอื่นกินเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ากินแล้วจะหายหรือเปล่าดงั้นก่อนที่เราจะไปสอนคนอื่นเราควรจะสอนตัวเราเองก่อนพิสูจน์ก่อนว่า คำสอนของพระพุทธเจ้านี้ได้ผลจริงหรือไม่หลับทุกได้จริงหรือไม่ตัดความโลภความโกรธความหลงได้จริงหรือไม่สร้างความสุขที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงที่ถาวรได้หรือไมอ่นี่คือเรื่องของความสงสัยลังเลความลังเลสงสัยเกิดจากคนที่สอนไม่รู้เรื่องเลย คนที่ไปสอนคนอื่นโดยที่ตัวเองยังสอนตัวเองไม่ได้ตัวเองยังไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยทุกนี้มีเยอะพระก็เยอะเนี่ยสมัยนี้พระเรียนนักธรรมตีโทเอกกันเรียนปารีนเก้ากันแล้วก็ไปสอนกันแต่ไม่ได้ปฏิบัติกันสมาที่นั่งก็ไม่เคยนั่งนั่งก็ไม่เคยสงบเราจะไปสอนปัญญาก็ใช้ดับกิเลสไม่ได้ แล้วก็จะไปสอนคนอื่นคนอื่นฟังแล้วก็เลยลังเลสงสัยไม่แน่ใจสอนแบบผิดผิ ด, ผดถูกถูกบางทีก็สอนว่าไม่ต้องนั่งสมาธิใช้ปัญญาได้เลยมีปัญญาฆ่ากิเลสได้เลยบรรลุได้เลยพอคนก็ไปใช้มันไม่บรรลุเลยกิเลสมันไม่ยอมตายด้วยปัญญาที่ไม่มีสมาธิสนับสนุน อันนี้ก็คือเรื่องของอความลังเลสงสัยที่เกิดขึ้นจากหนึ่งจากการที่เราไม่ได้ศึกษาจากผู้รู้จริงเห็นจริงสองไปศึกษาจากคนที่ไม่รู้จริงเห็นจริงก็เลยทำให้สับสนบางคนก็บอกว่าไม่ต้องนั่งสมาธิบางคนก็ต้องบอกว่าต้องนั่งสมาธิก่อน บางคนก็บอกไม่ต้องพุทโธพุทโธมีจนกระทั่งคนปฏิบัติไม่รู้จะเอาอย่างไหนดีแล้วบางคนนั่งก็บอกนั่งแล้วต้องเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอะไรต่างๆแล้วลึกชาติได้นั่งแล้วต้องมีอิทธิฤทธิ์นั่งแล้วต้องเหาะเหินเดินอากาศได้อันนี้เป็น คำสอนของคนที่ไม่ได้ปฏิบัติจริงไม่ได้รู้จริงเห็นจริงหรือถ้าปฏิบัติเห็นจริงก็เห็นด้วยความหลงไปในทางที่ไม่ใช่เป็นทางสู่การดับทุกข์ไปในทางที่ทำให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเพราะถ้าไปนั่งเพื่ออิทธิฤทธิปฏิหารินี่อิทธิฤทธิปฏิหารินี้จะไม่สามารถ ตัดพบชาติตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้อิทธิฤทธิปาฏิหารกลับจะทำให้เกิดในพบชาติมากขึ้นไปก็มีมีอิทธิฤิธิแล้วก็อยากจะอยู่ไปเรื่อยๆอยากจะอยู่ไป น, นานๆพอตาย ก, ก็อยากจะกลับมาเกิดใหม่ไม่ได้ทำให้ความอยากจะกลับมาเกิดหมดไปลเลนั่งสมาธิจึงต้องอยากไป นั่งเพื่อให้ได้อิทธิฤทธิได้ตาทิพหูทิพนะถึงแม้ว่าจะได้ก็อย่าไปสนใจมันสิ่งแรกที่เราควรจะได้ก็คือความสงบได้อัปปนาสมาธิได้อุเบกขาได้สักแต่ว่ารู้อันนี้แหะจะเป็นตัวที่จะไปสนับสนุนปัญญาเพื่อการตัดภพชาติตัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ เพามันจะไปฆ่ากิเลสตัณหาได้อิทธิฤทธินี้ไม่สามารถสู้กับกิเลสตัณหาได้มีนิถานในสมัยพุทธกาลอยู่เรื่องหนึ่งมีฤาษีรูปหนึง่งท่านเก่งทางอิทธิฤทธิปาฏิหารเอ่อเหินเดินอากาศได้จนพระเจ้าแผ่นดินนี้เคารพศรัทธานับถือเป็นอาจารย์วันหนึ่งท่านก็ เวลาไปวังท่านนักบินเข้าไปเหาะเข้าไปวันนึงครับเหาะผ่านห้องของพระมเหสีพอดีพระมเหสีกำลังแต่งตัวอยู่กำลังเปลือยกายอยู่พอเห็นกิเลกก็โผล่ขึ้นมาทำให้เกิดความกำหนัดยินดีก็เลยไปแอบไปมีชู้กับม่เหสีเรามาพระเจ้าแผ่นดินทราบเข้า ท่านก็เสียพระไทยแต่ท่านก็เคารพก็เลยไม่ลงโทษแต่ก็ไม่ศรัทธาเลื่อมใสต่อไปส่วนฤาษีก็ไม่สามารถเหาะเินเดินอากาศไดนะ้เพราะโดนอำนาจของราคะตัณหาทำลายสมาธิพอมีกิเลสตัณหาเกิดขึ้นสมาธิมันก็จะอ่อนกำลังหมดกำลังไป นี่จงไม่ใช่เป็นทางสู่การดับทุกข์สู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะหลุดพ้นได้ต้องฆ่ากิเลสตัณหาไม่ใช่ไปเป็นลูกน้องกิเลสตัณหาพวกที่มีอิทธิฤทธิ์นี้มักจะกลายเป็นลูกน้องของกิเลสของความโลภพอมีมีความรู้พิเศษก็จะคิดเอาความรู้พิเศษนี้ไปหาเงินหาลาภวิส ก, การละกัน ถ้าทํานายทายทักได้เนี่ยเดี๋ยวก็ไปเป็นหมอดูกัน เ, นเห็นไหมที่ไปหาคนดูภายใน เ, นเขามีสมาธิแต่ไม่ได้เป็นสมาธิเพื่อดับทุกข์ดับการเวียนว่ายตายเกิดแต่เป็นสมาธิที่ประสงค์เพื่อส่งเสริมการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเป็นสมาธิที่สนับสนุนความโลกนั่นเองอ๋อมีตาในก็ไปเป็นหมอดูเปิดสํานักได้ มีคนมาถามนุ่นถามนี่บอกไปเขาก็จ่ายค่าไหว้ครูให้นี่คือเรื่องของความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเราไปศึกษาไม่ถูกแหล่งไปศึกษากับแหล่งที่ไม่รู้จริงเห็นจริงหรือไปศึกษาในแหล่งที่หลง ไม่ได้ไปในทางที่พระพุทธธรรมพระสงฆ์สอนให้ไปเราก็จะสับสนไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไหนดีบางหนังก็บอกอย่านั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วเป็นหัวตอ่อนั่งแล้วไม่เกิดปัญญายังไม่ก้าวหน้าแต่ไม่หลุดพ้นได้อันนี้ก็จริงแต่มันจริงครึ่งเดียวสมาธิโดยลำพังมันทาให้หลุดพ้นไม่ได้มันเพียงแต่ทาใจให้สงบชั่วคราว ทำให้กิเลสตัณหาสงบชั่วคราวแต่ถ้าไม่มีสมาธิก็จะไม่สามารถใช้ปัญญาฆ่ากิเลสได้ต้องมีสมาธิสนับสนุนปัญญาปัญญาถึงจะสามารถฆ่ากิเลสฆ่าตัณหาได้นี่คือถ้าไม่ศึกษาจากผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่รู้รอบครอบเนี่ยจะจะหลงกันได้จะ เห็นว่าสิ่งนี้จำเป็นเห็นนี่ว่าสิ่งนี้ไม่จำเป็นไม่ต้องนั่งสมาธิให้เสียเวลานั่งแล้วเป็นเป็นหัวตอ่อใช้ปัญญาเลยปัญญานี้จะฆ่ากิเลสไม่เคยศึกษาคำสอนพุทธเจ้าบอกว่าปัญญาที่จะฆ่ากิเลสได้นี้ต้องมีสมาธิเป็นผู้อบรมก่อนอาบกสมาธิก็ต้องมีศีลเป็นผู้อบรมก่อน ศีลที่มีสมาธิที่มีศีลเป็นผู้อบรมนี้จะมีประโยชน์มากจะมีกำลังมากปัญญาที่มีสมาธิอบรมจะมีประโยชน์มากจะมีกำลังมากจิตที่มีปัญญาเป็นผู้อบรมก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียวเนมันถึงต้องมีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญามันถึงจะสามารถที่จะ ตัดกิเลสตัณหาฆ่ากิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากกิเลสตัณหาให้หมดไปยุติการเวียนว่าตายเกิดมันต้องมีทั้งสมรรคแมีทั้ง8ดองค์หรือสมองค์นี้ศีล ส, สมาธิปัญญาก็คือมรรคแศีล ก, ก็มีสองส่วนของมรรคสมส่วนของมรรคแปดสมากมันโต สัมมาวาจาสัมมาอาชีโวเนี่ยสัมมากรรมโตก็คือการกระทําที่ถูกต้องสัมมาวาจาก็คือการพูดที่ถูกต้องสัมมาอาชีโวก็คืออาชีพที่ถูกต้องอันนี้ก็อยู่ในองศ์สามองค์สมาธิก็มีอยู่สามสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาวายาโมก็คือความเพียรชอบ เพียรเจริญสติอยู่เรื่อยๆเมื่อเจริญสติก็จะได้สัมมาสติคือสติที่ละเลิกอยู่ในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตสัพตะวารู้พอนั่งสมาธินั่งเฉยๆจิตก็จะรวมเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิอย่าไม่ไปมีอิทธิฤทธิปาปิหารจะไม่ไปเห็นนกเห็นสวรรค์เห็นพูดผูผีปีศาจ ไม่มีอิทธิลิ์อะไรต่างๆจะสงบมีอุเมกขาสักด์แปลว่ารู้มีความสุขที่เป็นความสุขเหมือนของพระนิพพานนี่คือความสุขที่เราต้องการเพราะถ้าเรามีความสุขแล้วเราก็จะได้ใช้ความสุขนี้มาเลิกกาเลิกเลิกการหาความสุขในทางร่างกายต่อไปถ้าเรามีความสุขใจแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรส เราก็จะตัดกามะฉันทะได้กามลาคะได้อันนี้ตัดกิเลสได้ไม่ต้องมีสมาธิสมาธิเหมือนกับรถคันใหม่ถ้าเราได้รถคันใหม่แล้วรถเก่าเราก็ทิ้งได้ตอนนี้เราใช้รถเก่ากันอยู่เมอพอเราได้มีเงินซื้อรถใหม่ที่ดีกว่ารถเก่าเราก็ทิ้งรถเก่าได้แต่ถ้าเรายังไม่มีรถใหม่นี่รถเก่าก็ยังต้อง ใช้มันไปก่อนดีกว่าเดินความสุขทางร่างกายก็เป็นเหมือนรถเก่าถ้าเรายังไม่มีความสุขทางใจความสุขจากความสงบเราก็ยังต้องอาศัยความสุขทางร่างกายไปก่อนอาศัยความสุขจากการทำตามความอยากไปก่อนอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานก็ต้องดื่มต้องรับประทานถึงจะมีความสุข แต่พอเรามีความสุขจากความสงบแล้วนี่ทีนี้เราไม่หิวแล้วไม่มีความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นแล้วเราก็ตัดปัญหากามตัญหาได้อย่างง่ายดายนี่คือสัมมาสมาธินําไปสู่สัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วก็นี่ก็หแล้วเลขสองก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังโปะก็คือปัญญา ความเห็นชอบความคิดชอบเห็นว่าทุกอย่างเป็นตายรักเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าการทำตามความอยากนี่นไปสู่ความทุกข์ไม่ใช่นำไปสู่ความสุขนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิด <Yeah. S 1> สัมมาสังสัมมาสังโปรความคิดก็เลยคิดคิดไม่อยากดีกว่าคิดไม่เที่ยวดีกว่าคิดไม่ซื้อของดีกว่า อยู่บ้านเฉยๆนั่งสมาธิทําใจให้สงบสู้กับความอยากดีกว่าเพอความอยากหมดแล้วทีนี้ก็สบายไม่มีอะไรมารบกวนใจอีกต่อไปไม่มีอะไรมาดึงใจให้ไปทำอะไรไม่มีอะไรมาดึงใจให้กลับไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอีกต่อไปต้องมีศีลสมาธิปัญญาสมาธิติสมาสังโปรก็เป็นปัญญา สัมมาคัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิโวก็เป็นสีสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เป็นกลุ่มของสมาธินี่คือสีสมาธิปัญญาหรือมากแปดที่ทุกคนจะต้องเจริญกันให้ได้ถึงจะสามารถตัดกิเลสถึงจะสามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ถึงจะสามารถไปถึงพระนิพพานได้ อันนี้แหละอย่าไปสงสัยในะเรื่องของมรรคแปดต้องทําให้ครบนศะีลต้องทําให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์สมาธิจิตก็ต้องรวมเป็นอัปปนาสมาธิปัญญาก็ต้องเป็นภาวนามย๊ปัญญาอันนี้คือเรื่องของการศึกษาจากผู้ที่รู้จริงเห็นจริงผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ รับรองได้ว่าทุกลูกทุกองค์จะสอนอย่างนี้ทั้งนั้นจะสอนศีลสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าทรงวางแบบไปแล้วว่าสมาธิที่ศีลอบรมดีแล้วมีอ น, นิสงส์มากมีประโยชน์มากปัญญาที่สมาธิอบรมได้ดีแล้วนี้มีประโยชน์มากมีอ น, นิสงส์มากจิตที่ปัญญาอบรมแล้วจะเล้อย่อมหลุดพ้นจากความทุกโดยถ่ายเดียว จึงต้องมีศีลเพื่ออบรมสมาธิมีสมาธิเพื่ออบมม ร, ม, ม, รออบมปัญญาเมื่อมีปัญญาก็จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปนี่คือวิธีแก้วความสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์มันศึกษามันเข้าหาผู้รู้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ พระพุทธเจ้าก็ได้พระอริยสงสาวกก็ได้ถ้าไม่มีตัวพระพุทธเจ้าก็อาศัยหนังสือของพระพุทธเจ้าพระไตรปิฎกถ้าไม่มีตัวของครูบาอาจารย์ก็อาศัยหนังสือของครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยเขียนไว้เคยพูดไว้แล้วมีการบันทึกเอาไว้เอาไปอ่านแล้วจะได้ไม่สงสยัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไม่สงสัยในแนวทางของการปฏิบัติ ก็จะสามารถทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการบาเพ็ญได้อย่างเต็มที่ศีลต้องรักษาอย่างเต็มที่สมาธิต้องทำให้มันได้อย่างเต็มที่ปัญญาต้องพิจารณาตลอดเวลาหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วถ้าทำอย่างนี้นะลลแล้วรับรองได้ว่าเดี๋ยวก็ดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้อันนี้คือนิวรข้อที่หนึ่งความสงสัย ข้อที่สองกามาฉันทะความอยากในลูกเสียงกินน่กมีใครไม่อยากมั้งยังอยากกินหรือเปล่าคือกินมันมีสองอย่างกินด้วยความอยากกับกินด้วยความไม่อยากกินด้วยความไม่อยากก็คือกินแบบกินยาเวลาเรากินยาเราอยากกินหรือเปล่าไม่อยากแต่ต้องกินใช่ไหมพะไม่กินโลกมันไม่หายอาหารก็เหมือนกันอาหารก็เป็นเหมือนยา ถ้าเรากินแบบยาแล้วต้องกินตามเวลาตามหมอสั่งเนี่ยหมอบอกว่ากินสามมือ้อนี่เราล่อมันไม่รู้วันละกี่มือ้ออยากเมื่อไหร่ก็คว้ามันใส่ปากเมื่นั้นเลยอันนี้เรียกว่ากามัชันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารมันอยากไม่ใช่แต่เฉพาะอาหารเครื่องดื่มก็มีรูปเสียงกลิ่นรสของเครื่องดืม่มน้าชากาแฟ ความอยากในข้าวของต่างๆก็รูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกันรูปของกระเป๋าเสียงของกระเป๋ากลิ่นของกระเป๋ากลิ่นของรองเท้ารูปสีสันของรองเท้าเสื้อผ้าหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรือคนนั้นคนนี้อันนี้ก็รูปเสียงกลิ่นรสเหมือนกันเห็นคนนั้นเราก็อยากจะได้ยินเสียงของเขาอยากจะเห็นรูปของเขาเห็นหน้าของเขาอยากอยู่ใกล้เขาจะได้ดมกลิ่นเขา กนก็หอมหอมด้วยน้ําหอมอชาแนลเบอร์ห้าอันนี้ก็กามะฉันทะกยังวิธีที่จะแก้ตัวนี้ก็ให้ถือศีลแปดกันเนี่ยพวกที่มานุ่งขาวห่มขาวนี่ไม่ได้ไม่ได้ใส่ชาแนลมาระเบอร์ห้าไม่มีแล้มีแต่กินลักแล้วการไม่อยากจะเข้าใกล้แล้ว มาถือศีลแปดไม่กินข้าวหลังจากเที่ยงวันไปแล้วให้กินข้าวแบบกินยาอย่าไปกินตามความอยากเอให้กินตามความอยากเดี๋ยวหลังเที่ยงเดี๋ยวบ่ายก็หิวแล้วเดี๋ยวน้ําชากาแฟต่อขนมน ม, นมเนยต่อแล้วพอค่ำเย็นก็มือ้อค่ำต่อแล้วก่อนจะนอนก็มีมื้อก่อนนอนอย่างั้นเดี๋ยวนอนไม่หลับท้องว่าง นี่เรียกว่ากินด้วยความอยากนการมาฉันทะเราจึงต้องมาถือศีลแปดกันถ้าถือศีลแปดแล้วมันก็จะช่วยระงับได้ส่วนหนึ่งแต่ยังไม่หมดรู้ว่าฮะรู้ว่ากินไม่ได้แต่ใจก็ยังอยากกินอยู่ถ้าอยากจะตัดความอยากกินนี่ต้องดูอาหารเวลามันเข้าไปในท้องมันน่ากินนะเวลามันอยู่ในปากแล้วคายออกมาแล้วตักเข้าไปกินใหม่ได้หรือเปล่า ในเวลาที่มันถ่ายออกมาแล้วอคิดถึงอาหารเหล่านี้มันจะหายอยากนี่คือวิธีแก้าการมัจฉันทะที่เกี่ยวกับอาหารถ้าเกี่ยวกับเรื่องอื่นก็ต้องพิจารณาความไม่ถาวรความความสุขชั่วคราวไปเที่ยวมากลับมาก็หมดละไปดูไปฟังอะไรมากลับมาก็หายไปหมด้ะเหลือแต่ความเหงาความว้าเหวเหมือนเดิม ก็ต้องไปเที่ยวใหม่ไปหาใหม่อันนี้คือวิธีกำจัดการมาฉันทะต้องถือศีลแปดแล้วทางที่ดีไปอยู่ไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาเจะไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสมาล่อใจ <c oughs> มันก็จะทำให้การมาฉันทะเกิดขึ้นมาไม่ได้ <c oughs> นี่ข้อที่สองการมาฉันทะ ข้อที่สามความง่วงเหนาหานอนความเกียดค้านอันนี้ก็เกิดจากการรับประทานมากเกินไปนั่นเองกินอาหารมากหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนลองสังเกตดูเวลากินอาหารอิ ม, อมลองนั่งสมาธิดูรับร อ, องได้หลับแน่นอนสงบเวลากินอาหารเสร็จเขาไม่นอนกันนั่งปฏิบัติเขาจะเดินจงกรมกันเขาไม่นั่งสมาธิกัน เขาจะนั่งเพื่อระบายให้อาหารมันย่อยให้ความง่วงมันหายไปก่อนเดินสักชั่วโมงสองชั่วโมงมเดินจนเมื่อยจนเหนื่อยแล้วก็รู้สึกตื่นขึ้นมาไม่ง่วงวทีนี้ถึงไปนั่งต่อวเวลารับประทานอาหารก็ต้องรับประทานน้อยๆพอให้มันอิ่มพอไม่ให้มันหิวไม่ให้อิ่มรับประทานเพื่อดับความหิวไม่ได้รับประทานให้อิ่มพอรับประทานเขาไปรู้สึกว่า ความหิวหายแล้วก็ดื่มน้ําเข้าไปแทนเืิมน้ําเข้าไปสักสองสามแก้วอิ่มท้องนะทีนี้เดี๋ยวน้ํามันก็จะถ่ายออกมามันก็จะระบายออกมาแล้วมันก็จะไม่ทําให้ร่างกายอันหนักท่วงทําไม่ทําให้ขี้เกียจถ้ารับประทานอาหารน้อยยังทํายังง่วงอยู่ยังขี้เกียจอยู่ก็ต้องลองอดอาหารเลยอย่าไปกินมันเลยเอาแต่เครื่องดื่มเพราะกันอาจจะดื่ม นมสักกล่องหนึ่งตอนเช้าบ่ายก็อาจจะดื่มน้ำผลไม้สักกล่องหรืออะไรแล้วเวลาอื่นก็ดื่มน้ำเปล่าไปให้มันหิวแล้วมันจะไม่ง่วงหรือแม้เช่นนั้นก็ต้องไปอยู่ที่ใ น, ในที่ที่น่ากลัวภาพบางรูปท่านไปอยู่ที่หน้าผาไปนั่งสมาธิที่หน้าผาเลยถ้าสงบกกหัวก็ทิ่มลงเลยตกลงผาเลยหน้าหิว ถ้าไปนั่งในที่อย่างนั้นแล้วมันไม่ง่วงมันจะตืน่นถ้าที่ตรงไหนที่มันมีภัยอันตรายต่อชีวิตนี่มันจะมันจะตื่นขึ้นมาทันทีป่าช้าก็ได้ถ้าพวกกลัวผีไม่นั่งป่าช้าเนี่ยรับรองได้ไม่หลิ่ง่วงหล่อให้กินข้าวกี่มื้อก็ไม่ง่วงอ่าในคือวิธีแก้ความง่วงต่างๆนิวร์ต่างแต่ผ้าป่าถึงมักจะไปอยู่ในป่ากัน ไปอยู่ป่าช้าบ้าไปอยู่ในทางเสือผ่านครูบาอาจารย์ท่านชอบไปนั่งสมาธิไปปักกลดอยู่แถวทางที่ตรงไหนมีรอยเท้าเสือท่านชอบไปนั่งแถวนั้นเพราะมันจะทําให้ใจนี่มันตื่นตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาไม่ง่วงนอนแล้วก็จะทําให้เดินจงกรมนั่งสักขยันเดินจงกรมนั่งสมาธิขยันพิจารณาปัญญาปงอนิจจทุกขังอนัตตาเพราะไม่รู้ว่าจะเจอเสือเมื่อไหร่ เจอเสือก็จะได้ยอมให้มันกัดให้มันกินไปเลยในยุคพุทธกาลนี้มีพระที่เขาบรรลุในปากเสือเคยได้ยินไหมท่านไปอยู่ในป่าไปปฏิบัติในป่าไปพิจารณาไปปล่อยร่างกายไปโปงอนิจจังพอทรั้พอไปเจอเสือเสือมากัดท่านก็เลยโปงอนิจจังพิจารณาปล่อยวางร่างกายหลุดพ้นนะ ละสังโยชน์ได้อันนี้แหละเขาเรียกบรรลุในปากเสือกันเออยังไงก็ต้องตายตายแบบกํำไร ห, หรือตายแบบขาดทุนดีตายแบบกำไรก็ตายแบบเนี่ยตายแบบพระที่ถูกเสือกัดเนี่ยตายท่านได้กําไรใจท่านได้บุญพ้นได้ละสังโยชน์ป็นรู้ขั้นไหนแนละ้วอย่างน้อยก็ต้องขั้นโสดาบันลนะ้ละสังโยชน์ต้สักการะทิฐิได้แนละ้ เห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเสือมันจะกัดจะกินก็ให้มันกินไปอันนี้รด้กำไรแต่พวกเราตายแล้วตายแบบหวงร่างกายนี้ตายแบบขาดทุนตายแบบทุกข์กันเวลาจะตายนี่โอ้โหจิตทรมานไหมไม่อยากตายกันโวยวายกันเอร้องห่มร้องไห้กันเออันนี้เราตายแบบขาดทุนอยู่แบบขาดทุน ถ้าอยู่แบบกําลายตายแบบกําลายก็อยู่แบบปล่อยวางร่างกายไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยการไปอยู่ป่าอยู่ที่น่ากลัวมันได้ประโยชน์ได้อย่างได้กําจัดนิวรณ์ได้ทําให้มีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยถ้าอยากจะให้มีดวงตาเห็นธรรมไปอยู่ในป่ากันเดี๋ยวจะเห็นอนิจจังทุกขังอน้าตากันอย่างชัดเจน อันนี้ก็คือนิวรณ์แก้ความง่วงนอนข้อที่สามนะข้อที่ 4, สี่ความฟุ้งซ่านนิวรณ์ความฟุ้งซ่านก็เกิดจากความคิดนี่แหละคิดอยู่เรื่อยๆคิดแบบไม่หยุดไม่ย่อนคิดถึงเรื่องนั้นแล้วก็คิดถึงเรื่องนี้ต่อคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องนั้นต่อคิดแล้วก็เกิดความวิตกกังวลต่างๆกินไม่ได้นอนไม่หลับ ก, กันฟุ้งซ่านกัน ก็ต้องฝึกสติให้มากๆอัดพุทโธท่ทองพุทโธพุทโธไปสวดมนต์ไปอย่าปล่อยให้ใจคิดให้คิดเฉพาะเรื่องที่จาเป็นเท่านั้นเช่นเวลาทางานเวลาทำงา น, งงานต้องใช้ความคิดก็คิดไปพอไม่ต้องคิดเรื่องงานจะไปคิดเรื่องขนมเรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตอย่าไปคิดให้เสียเวลาจิตมันจะฟุง้งมันจะไม่สงบนั่งสมาธิไม่ได้ พิจารณาปัญญาไม่ได้ยังต้องทําใจให้หยุดคิดก่อนใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือใช้การสวดมนต์ไปโดยใช้การเฝ้าดูการกระทําของร่างกายเฝ้าดูทุกิริยาบทของการเคลื่อนไหวของร่างกายว่ากําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้ร่างกายกําลังหยิบนุ่นหยิบนี่กําลังหันหน้าไปทางซ้ายกําลังหันหน้าไปทางขวาะ ถ้าเป็นหมอกำลังฉีดยาให้คนไข้ไม่ใช่ฉีดยาไปคิดว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะไปเที่ยวที่ไหนดีเดี๋ยวหยิบยาผิดให้คนไข้ฉีดยาผิดอย่างนี้ต้องมีสติอยู่กับงานที่เราทำอยู่ตลอดเวลาถ้ามีสติแล้วเวลามานั่งสมาธิมันก็ไม่ฟุง้งให้ดูลมมันก็จะดูลมมันก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวไม่นานจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้ ให้พุโทโธมันก็จะอยู่กับพุโทโธอย่างเดีย ว, วต้องหันมันเจริญสติอยู่เรื่อยการจะเจริญสติได้ง่ายก็คือต้องอยู่คนเดียวถ้าอยู่กันหลายคนเดี๋ยวคนนั้นก็มาเดินใจไปละถามเรื่องๆๆนั้นเรื่องนี้ชวนมาคุยเรื่องๆๆนั้นเรื่องนี้แล้วก็ไปละคิดกันไปที่ไหนดีไปเที่ยวที่ไหนดีไปกินที่ไหนดีไปชอบ ป, ปิ้งที่ไหนดีที่ไหนมีของดีอยู่ตรงไหนบ้าง คุยกันไปเนี่ยพงพ อ, าอมานั่งสมาธิใจก็ยังคิดถึงเง้เรื่องที่คุยกันอยู่นนเนี่ยนังง่ายก็ไม่มีวันสงบได้ยังต้องปลีกวิเวกต้องไม่คุกคีกันต้องอยู่คนเดียว อ, อยู่ที่เงียบที่สงบสงัดไม่มีอะไรมาคอยยั่วยวนกวนใจถ้าไปอยู่ใกล้รูปเสียงกลิน่นรั่นเดี๋ยวมันก็จะเบงเราไปอีกนี่คือวิธีแก้ ความฟุ้งซ่านต้องหมั่นเจริญสติต้องปีกไปเวกอยากลุกครีกันอยู่คนเดียวเดินจงกองนั่งสมาธิไปฝึกพุทธโธไปอยู่เรื่อยๆอยากปล่อยให้ใจคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วความฟุ้งซ่านจะไม่เกิดประการสุดท้ายก็คือความโกรธความโกรธก็เกิดจากความอยากตอนนี้พอเราอยากอะไรแล้วใจเราก็จะหงุดหงียดขึ้นมาทันที เวลาอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากมันก็โกรธมันก็หงุดหงิดอยากจะดื่มกาแฟแล้วลองไม่ได้ดื่มดูสิมันก็หงุดหงิดขึ้นมาโกรธคนนั้นโกรธคนนี้ได้ไง่ายกาแฟหมดรอให้เขาไปซื้อกาแฟมาระหว่างรอนี่ก็ใจก็ยังหงุดหงิดอยู่เพราะยังไม่ได้ดื่มกาแฟต้องพยายามลดละความอยากลงอย่าไปอยากกับสิ่งต่าง แล้วถ้าเกิดความโกรธก็ให้ใช้ความเมตตามาแก้แผ่เมตตาเนี่ยเวลาแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เราโกรธไม่ใช่แผ่ตอนที่เรานั่งไวพ้พระสวดมนต์คนเดียวตอนนั้นมันไม่โกรธนู้นจะไปแผ่ให้กับใครต้องแผ่ตอนที่เราเจอคนที่ทําให้เราโกรธพอเจอคนนี้เขาพูดไม่ดีเราโกรธเนี่ยตอนนั้น เ, นเราต้องรีบแผ่เมตตาให้กับเขาต้องเอาเวลาโหนตุ แ, way, แต่ว่าไม่จองเวรจองกรรมกันให้อภัยกันเออ เวลาโหงตุเวลาพบปะกันแล้วเขาพูดเขาทำอะไรไม่ดีไม่ถูกใจเราเราก็ต้องอย่ า, ยาไปโกรธเขาโกรธแล้วเราก็ต้องระ ง, งับมันด้วยการให้อภัยอ๋อไม่เป็นไรสาธุสาธุลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันก็มีการผิดพลาดกันได้ขบกันได้ <Yeah. S 1> คิดอย่างนี้ก็จะไม่โกรธเข้าใจนะ <Yeah. S 1> ถ้าไม่มีความอยากแล้วมันจะไม่โกรธมันจะโกรธยากกว่า ถ้ามีความอยากรับพอไม่ได้ตั้งใจอยากก็โกรธทันทีสั่งกาแฟแล้วมันเอานมชามาให้เนี่ยโกรธทันทีเลยฉันไม่ได้สั่งน้ําชาฉันสั่งกาแฟเด็กมันใจรอยสติรอยไปเวลาสั่งกาแฟมันไปฟังว่าเป็นน้ําชาพอเอาน้ําชามาเสิร์ฟก็เลยโกรธเด็กอ๋อไมัเป็นต้องไม่เป็นไรน้ําชาก็ดีเหมือนกันดือดหนักเหมือนกันเป็นน้ําเหมือนกันดือดระงับพัง กความกระหายของร่างกายได้เหมือนกันถ้าไม่มีความอยากก็จะไม่โกรธนี่คือนิวรณ์ทั้งห้าประการคิดว่าผู้ที่ถามปัญหาเมื่อวานนี้ถ้าติดตามวันนี้ก็คงจะได้คําตอบเมื่อวานนี้เห็นคําถามแล้วก็เหนื่อยคนถามผู้ส่้นๆแค่นี้นแต่มันเห็นคําตอบว่ามันยาวอยากให้มัเกือบชั่วโมง ก็เลยไม่อยากจะตอบก็เลยบอกให้ไปค้นหาดูเอาพอดีวันนี้ก็เลยอาศัยมีกําลังได้ไปพักผ่อนหลับนอนมาแล้วก็เลยก็เลยคิดว่าเอามาตอบวันนี้แทนเพราะฉะนั้นก็คิดว่าท่านที่ฟังคงจะได้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องนิวรณ์เวลาเรานั่งสมาธิเราเราก็จะมีไอ้นิวรณ์ห้าตัวนี้แหละมาคอยขัดคอยขวางเราอยู่ เราก็ต้องพยายามกำจัดมันให้ได้การกำจัดความสงสัยด้วยการศึกษาจากผู้รู้ผู้รู้จริงเห็นจริงการกำจัดการมัฉันทะด้วยการถือศีลแปดกากำจัดความง่วงนอนด้วยการลดการรับประทานอาหารลงให้น้อยลงไปหรือไปอยู่ที่เปรี่ยวที่น่ากลัว กำจัดความฟุ้งซ่านด้วยาการหมั่นเจริญสติพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆกำจัดความโกรธ ด, ด้วยความลดความอยากลงอย่าไปอยากมากนักอย่าไปโลภโมโทสารมากมันจะโกรธง่ายาแล้วก็ถ้าโกรธก็ให้อภัยเอาเวลาโหนตุแผ่เมตตาสัพเพสัตตาอเวลาโหนตุอย่าไปแผ่ตอนที่นั่งสวดมนต์คนเดียวตอนนั้นมันไม่ได้แผ่ตอนนั้นเป็นการ เตือนใจสอนใจว่าเราต้องแผ่เมตตานะเวลาที่เราเกิดความโกรธเจอคนนั้นคนนี้เราต้องสัตเปสัตตาเอาเวลาโหนตเุเวลาที่เราอยากจะให้คนเขารักเราเราก็ต้องมีการแบ่งปันมีขนมข้าวของเงินทองก็ามาแจกจ่ายกัน เ, เวลาใครเขาทุกข์ยากเดือดร้อนก็ช่วยเหลือกันอันนี้เรียกว่าแผ่เมตตาไม่ได้แผ่ตอนที่นั่งสมาธิเสร็จหรือไหว้พระสวดมนต์เสร็จ อันนั้นเป็นการสอนใจเป็นการศึกษาวิธีแผ่ว่าแผ่อย่างไรเวลาจะแผ่จริงๆเนี่ยอย่างญาตโยมมาที่นี่วันนี้โยมมาแผ่เมตตาแล้วเนี่ยเอาเข้าวของมาถวายพระสงฆ์องค์เจ้ามาแบ่งปันกันมาลดบรรเทาค้าวทุกยากลําบากของพระสงฆ์องค์เจ้าที่อยู่แบบอัตคัาขาดขาดแคลนถ้าไม่มีญาติโยมมาเอาเข้าวของมาให้ก็จะอยู่เป็นพระกันไม่ได้ก็ต้องลาศิกขาไปทำมาหากินกัน อันนี้แหละเรียกว่าแผ่เมตตาคือการกระทาไม่ใช่นั่งสวดเฉยๆนั่งสวดนั้นยังไม่มีการกระทำะนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะอนุโมทนาให้พรยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุ ป, ปกา ป, กปติ อิที่ตังปฏที่ตังตุมหังคิป้เมวะสมิจจัตุสัพเพปเรนตุสามกปาจันโทปันาระโสยะามณิโชติระโสยะาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขิธีคายุโกภวะ อาวีวะธนสีริศะนิจังวุทธาปจายิโนจัตารโหธมมาวะทันติอายุวะโนสุขังพาลางวันนี้ไม่อยู่ที่ดีไปปฏิบัติธรรมอ่ดีมาอยู่กี่วันกับมุจจันทร์ค่ะอะ่ดีสาวเธอจารันสติให้มากๆนะ อย่าคิดฟุ้งสาานพุทโธพุทโธอยู่กับปัจจุบันหรือมดีหรือมานาคตนะให้อยู่ปัจจุบันยังไม่ทันอะไรง่วง้ะยังไม่ทันนั่งสมาธิอะไรง่วงนะเนี่ยแต่ถ้าดูทีตอนนี้คงไม่ง่วงนะคง เราจะให้ดูธรรมะเท่าไหร่ง่งวงเหาเรจะดูหนังดูละครดูคอนเสิร์ตนี่มาเตื่องอยจะถามอะไรอ่ะพูดทางพูดดังๆหน่อยนะอะไรนะสานะคืออะไรคะ ไม่รู้เหมือนกันลองไปถาม Google ดูดีป่คือภาษาอรรจะทราบเาปจะจมลิ้่ใจคืออายาตนะเนี่ยมันมีอายาตนะภายนอกกับอายาตนะภายในมีอยู่ห้าใช่ไหมหก่มัอายาตนะหกนี่เขาคงจะหมายถึงอายาตนะทั้งหกมั้งเพราะว่าคือเชื่อมโยงตึงรูปเสียงกลิ่นรดน โหดถะพระ ธ, ธรรมธรรมอารมณ์กับตาหูจมูกลิ้นกายใจะวันนี้ทางเฟซเข้ามาเท่าไหร่วันนี้สูงสุด472ค่ะอ๋อสี่ร้อยกว่านะเกือบจะแต500ะห0ารอ้อยนะทางยูทูบหนึ่งค่ะอ๋อเกือบหนึ่งรลยนะมีต่างชาติเข้ามาใช่ไหมคะอาจารย์ยังไม่ม า, มมาอ่าทงนี้ก็ไม่มาอ่า สี่ฟินมาลิสก็ไม่มาโอลิเวียก็ไม่มาเดี๋ยวก็มามีคำถามไหมมีค่ะถามคำถามจากคุณโก้ค่ะมักมีองค์แปดเสื่อมได้ไหมครับเราสามารถทิ้งมักมีองค์แปดได้ไหมครับหรือต้องรักษาให้เจริญอยู่ตลอดเวลาครับมักถ้ายังไม่ได้ถ้ายังไม่มีก็เจริญได้ ถ้าจเจริล้ลไม่รักษาก็เสื่อมได้ไเช่นศีลถ้ารักษาศีลถ้าไม่มีศีลก็รักษาศีลห้าไปก็รักษาศีลห้าก็เรียกว่ามีศีลห้าแล้วแล้วพอถ้าเลิกรักษามันก็มันก็ไม่มีแล้ะมันก็เสื่อมไปงั้นถ้าอยากจะมีมากก็ต้องรักษาศีล ส, สมาธิปัญญานี่คือมั่ง รักษาศีลหมันนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆมันพิจารณาปัญญาอยู่เรื่อยๆพิจารณาตายลักษอนิจจังทุกขังอนัตตาอริยสัจสอันนี้ก็จะมีปัญญามีสมาธิมีศีลก็จะมีมรรคที่เป็นองค์8ถ้ามีมรรคที่มีองค์8ก็จะสู้กับกิเลสได้การปฏิบัติของเรานี้ไม่ได้มีเป้าหมายที่ตรงไหนหรอกมีที่การต่อสู้กับกิเลสตัณหาของเรานี้เท่านั้นเอง กิเลสตัณหามันเป็นตัวทําให้เราทุกข์ใจกันทําให้เราวุ่นวายใจกันพอเรากําจัดกิเลสตัณหาได้แล้วไม่มีอะไรจะมาทําให้เราวุ่นวายใจได้ต่อให้ใครทิ้งเราต่อให้ใครด่าเราต่อให้ใครก็ทําร้ายเรามันจะไม่สามารถทําให้เราทุกข์ใจได้เลยไอตัวที่ทําให้เราทุกข์ใจคือความโลภโกรธหลงความอยากของเรานี้ท่านันเองคำถามจากคุณแบงค์ มีพุโทโธในใจจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องเรียนอภิธรรมไม่จำเป็นหลอคำถามจากคุณพิมพรเวลาที่หนูนั่งสมาธิภาวนาแล้วมีความสงบลมหายใจอ่อนลงในขณะนั่งอยู่มีอาการขน ล, ลุกขึ้นมาที่แขนค่ะขน ล, ลุกแบบนี้เรียกว่าเกิดปิติใช่ไหมเจ้าคะหนูเคยปิติแต่มีน้ำตาไหลค่ะได้ปิติก็มีหลายลาาักษณะน้าตาไหลขนลุกซา แล้วแต่แต่ก็ไม่ได้เป็นผลที่เราต้องการเป็นเป็นผลเบื้องต้นผลสุดท้ายเราต้องการอุเบกขาต้องการความสงบต้องการความสุขที่เกิดจากความสงบที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากปิติคำถามจากคุณตุ้มตุ้ยคะ่ะได้ยินว่าได้ยินว่าการมีสติยิ่งมากยิ่งดี แต่ถ้ายังไม่มีอัปนาสมาธิกับปัญญาในขั้นนิมุตเวลาตายสติอย่างเดียวจะช่วยให้ไปถึงระดับใดคะอถ้ามีสติก็ต้องไปสุขติจิตจะสงบจะจะเปลี่ยนแต่ว่าจะสงบไประดับไหนเท่านั้นเองคำถามจากคุณเลิฟลี่เวลานักไปถึงขั้นเอกะคัตตาลมเราสามารถถอยออกมาถอดกายได้ไหมคะ เวลาเข้าไปมันถอดกายโดยอัตโนมัติเวลาจิตรวมเข้าสู่สมาธินี้มันแยกออกจากกายปกติแล้วมันจะมาเกาะติดกันอยู่เวลานั่งสมาธิเหมือนกับเราเทน้ําออกจากขวดน้ําแยกน้ําออกจากขวดเะฉนั้นเวลาเวลาที่เราไม่นั่งสมาธิจิตมันก็กลับมาเกาะที่กายเกาะที่รูปเสียงตาหูจมูกมือกายมารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ พอเราพุโทโธพุโทโธเราก็ดึงดึงปักออกดึงปักที่มาเกาะติดอยู่กับร่างกายออกมันก็จะไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสหรือร่างกายแล้วแล้วจิตรวมเต็มที่นี้ร่างกายจะหายไปจากความรับรู้ของจิตจะเหลือแต่จิตอยู่ตามน้ำพังสักแต่ว่ารู้เพียงอย่างเดียวคำถามจากคุณลิตาเป็นไปได้ยากไหมใช่ไหมคะที่เราจะบรรลุธรรมที่บ้านต้องออกปิดวิเวก เห็นได้จากที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ต้องออกธุดงและบรรลุในป่าเพราะหลายคนชอบบอกว่าอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้อยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติแต่จะได้บรรลุนั้นต้องออกปีิวิเวกเข้าใจถูกใช่ไหมคะถ้าได้ปีกวิเวกมันจะง่ายกว่าแต่บางคนถ้าเขามีบารมีสูงอยู่บ้านเขาก็บรรลุได้แต่ถ้าเขาอยู่บ้านมาต้องหลายปียังไม่บรรลุมันก็ไม่รู้มันจะบรรลุได้ยังไง ถ้ามันรู้ถ้ามันรู้ที่บ้านได้มันก็ต้องบรรลุมานานแล้วงั้นถ้าอยู่บ้านแล้วไม่บรรลุก็ควรจะไปเปลี่ยนที่ไปอยู่ที่ป่าดูแต่คนที่อยู่ดีๆอ่านหนังสือธรรมะขึ้นมาแล้วก็บรรลุเลยอย่างเงี้ยที่บ้านเล ย, เลยอันนี้แสดงว่าเขามีบารมีมากอ่านหนังสือธรรมะครั้งแรกก็เข้าใจบรรลุได้เลยโดยขณะที่ยังไม่ได้บวชยังอยู่ที่บ้านแต่พวกที่บรรลุแล้วมักจะไปบวชกันทั้งนั้นอะ เพราะไม่รู้จะอยู่บ้านทำไมที่บ้านมันไม่น่าอยู่แล้วไปอยู่ไปบวชอยู่ดีกว่าจะได้ไปทาประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปคำถามจากคุณบ b บีค่ะธรรมชาติสัจธรรมอนัตตาไม่ใช่กรรมไม่มีผู้คอยต้องเอาปฏิบัติขอโทษนะคะไม่มีผู้คอยต้องปฏิบัติเจริญ เ, เอาได้แต่สมุทัยพยายามยึดติดตรง อ, อนัตตา เป็นอัตตากรรมซ้อนอนานาตตาทำหรือเปล่าครับคือทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติทีนี้ใจของสัตว์โลกนี่มันมีอวิชชาความหลงหลอกให้ไปคิดว่าธรรมชาตินี่เป็นสิ่งที่สามารถเอามาครอบครองเป็นของตนเองได้เชนเอาร่างกายมาครอบครองแล้วยึดว่าเป็นตัวเราของเราแต่ความจริงมันก็เป็นของธรรมชาติ ว่เดี๋ยวมันก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ําลมไฟไปของทุกอย่างในโลกนี้เกิดมาจากการรวมตัวของดินน้ําลมไฟและใจแล้วก็มาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมนุษย์ต่างๆแล้วพอถึงเวลามันก็แยกทางกันไปดินก็กลับไปสู่ดินน้ําก็กลับไปสู่น้ําลมก็กลับไปสู่ลมไฟก็กลับไปสู่ไฟใจที่เป็นธาตุรู้ก็ไป ไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่ไปไปครอบครองใหม่ไปยึดไปถือใหม่แต่ใจที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าก็หยุดหยุดที่จะไปครอบครองหยุดที่จะไปเอาธรรมชาติมาเป็นของตนใจนี้ก็เลยไม่ต้องไปมีร่างกายกต่อไปไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปใจก็อยู่แบบธรรมชาติไปอยู่อยู่กับความรู้อยู่กับความสงบอยู่กับ ความรู้ความสงบที่ปราศจากกิรันหาความโลภความโกรธความหลงก็เรียกว่านิพานไปคำถามจากคุณชัยสรามกุลค่ะตอนนี้เวลายมไม่ได้นั่งสมาธิใจสงบดีมีสติรู้เนื้อรู้ตัวดีอยู่อยู่กับปัจจุบันขณะแต่พอเวลานั่งสมาธิดูลมหายใจกลับไม่ค่อยสงบอยากขอคำแนะนําจากพระอาจารย์ค่ะเพราะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะอยากให้มันสงบนาะก เวลาดูลมอย่าไปอยากให้มันสงบดูไปเรื่อยๆดูจนเหมือนกับตอนที่เราไม่ได้นั่งสมาธิพอเกิดความอยากขึ้นมามันจะทำให้ใจมันตึงมันเครียดขึ้นมามันก็เลยทำให้มันสงบไปได้ถ้ามันดูลมไม่ได้ก็ลองพุทโธไปก่อนหรือฝังหรือสวดมนต์ไปก่อนก็ได้เพราะบางทีเวลามันนั่งแล้วมันจะเกิดอาการต่อต้าน พอจะดูรมนีกิเลสมันจะต่อต้านทำให้รู้สึกตึงเครียดขึ้นมาเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนคลายด้วยการสวดมนต์ไปก่อนสวดอิติปิโสไปสักห้าสิบจบร้อยจบแล้วเดี๋ยวก็จะรู้สึกคลายเครียดแล้วก็จะดูลมต่อไปได้คำถามจากคุณปิติเราจะตั้งจิตอธิษฐานให้กลับมาเกิดมาเจอศาสนาที่ทำให้เราเข้านิพพานได้ไหมครับหากชาตินี้เราตายไปแล้วเกิดบนสวรรค์ เราตั้งเราตั้งที่ผลไม่ได้แแต่เราตั้งที่เหตุได้เช่นถ้าเราอยากจะไปนิพพานนี่เราก็ต้องปฏิบัติสีนสมาธิปัญญาเราก็ต้องตั้งอธิษฐานว่าขอให้เราได้ปฏิบัติสีนสมาธิปัญญาตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็ถึงนิพพานเองแต่จะไปตั้งว่าขอให้ไปนิพพานโดยที่เราไม่ได้มาปฏิบัติสีนสมาธิปัญญาขออย่างไงก็ไม่มีวันที่จะไปถึงได้ อใ น, นเรื่องของเหตุของผลอธิษฐานนี้ทางศาสนาท่านแปลว่าความตั้งใจไม่ใช่เป็นการขอสิ่งนั้นสิ่งนี้การตั้งจิตอธิษฐานท่านสอนให้ตั้งจิตที่เหตุคือการกระทําให้เราทําดีละบาปชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ <c oughs> ถ้าอยากจะอธิษฐานให้อธิษฐานแบบนี้ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะทําแต่ บุญเพียงอย่างเดียว ข, ข้าพเจ้าจะละการกระทำบาปทั้งปวงข้าพเจ้าจะพยายามชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กาจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจนี่คือวิทยาอธิษฐานของทางศาสนาพุทธไม่ใช่ขอให้ไปถึงนิพพานขอให้ไปเกิดพบกับพระพุทธศาสนาข้างหน้าเพราะขอแบบนี้มันขอแบบลมปากมันไม่มีอะไรมาสนับสนุนการขอแบบนี้ แล้วขอบางอย่างมันก็ขอไม่ได้ใชอนาคตเราจะไปรู้หรยอว่าศาสนาพุทธจะอยู่ถึงเมื่อไหร่แล้วอนาคตเราจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งจะกลับมาเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้กลับมาคราวหน้าอาจจะอีกต้องหลายร้อยปีหลายพันปีก็ได้เพราะตายไปนี้อาจจะต้องไปใช้บาปไปรับผลบุญนี่กว่าจะกลับมาเกิดใหม่ก็ศาสนาพุทธก็อาจจะหายไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปตั้งอย่าไปขอให้ทา เราสามารถพบกับพระพุทธศาสนาได้ชาตินี้เราจะไปขอชาติหน้าทําไมโง่เปล่าฮตอนนี้มีพระพุทธศาสนากับไม่เอากับขอไปเล่นไปเที่ยวก่อนแล้วชาติหน้าค่อยมาเจอพระพุทธศาสน า, ามันก็บ้าเท่านั้นแหละอตอนนี้มีทองคําอยู่แล้วกับไม่เอาจะขอเอาก้อนหินก่อนขอไปเล่นก้อนหินก่อนทองคํามื่อชาติหน้าเขาไปเจอกันใหม่คเขาไปขุด ตอนนี้มีทางทําให้ขุดแล้วทําไม่ขุดกันนะตอนนั้นตอนนี้เรามีพระพุทธศาสนาเราจะไปขอให้ไปพบชาติหน้าทํำไมถ้าเจอพระพุทธศาสนาชาตินี้ก็ถึงนิพพานได้ภายในเจ็ดวันอยู่แล้วเองปฏิบัติจริงๆพระพุทธเจ้าบอกเจ็ดวันก็ได้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนเอถ้าไม่เจ็ดเดือนอย่างนมากก็เจ็ดปีพระพุทธเจ้ารับประกันนะ้วแล้วต้องไปรอพระพุทธศาสนาชาติหน้าทํำไม เพียงแค่7็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็ได้ละอ้าวต่อไปคำ ถ, ถามจากคุณปลายฟ้าเวลาที่เรานอ น, อนไม่หลับเราก็เลยนอนดูลมหายใจไปไเรื่อยๆเจตนาจะคือทำเพื่อให้นอนหลับง่ายๆแบบนี้ถือเป็นการภาวนาไหมคะเราได้บุญไหมคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นภาวนานมากกว่าไม่ได้บุญก็ได้หลับไง ตุยค่ะสติที่เจริญอย่างต่อเนื่องจะพัฒนากลายเป็นธมะสมาธิได้เองหรือเปล่าคะอ๋อต้องนั่งสมาธิเวลาจะให้จิตรวมนี้ต้องนั่งเฉยเฉยเพราะถ้ายังมีการเคลื่อนไหวทางร่างกายอยู่จิตยังทํางานอยู่เพราะจิตเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทํำอะไรต่างๆถ้าอยากให้จิตพักเข้าสู่ความสงบต้องให้นั่งให้ร่างกายนั่งอยู่เฉยเฉยไม่ทําอะไรเวลานั่งสมาธิเวลาคันก็อย่าไปเกามันเวลาน้าลาย ไหลก็อย่าไปกืนมันปล่อยมันไหลไปคือเราปล่อยวางร่างกายจิตถึงจะเข้าสู่สมาธิได้คำถามจากคุณแท็บบี้เวลามีเรื่องกระทบใจแล้วรู้สึกโกรธพอรู้สึกตัวก็รู้สึกเหมือนความโกรธนั้นดับไปโดยที่ไม่ได้บังคับแบบนี้คือวิปัสสนาหรือเปล่าคะไม่แบบสติพอมีสติป๊บมันก็หยุดมันก็หยุดโกรธได้แต่เดี๋ยวพอเผลอก็โกรธใหม่ได้ การวิปัสสนาก็ต้องค้นหาสาเหตุของความโกรธว่าเราโกรธเพราะอะไรโกรธเพราะเราอยากให้เขาทําอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาไปทําอย่างนั้นบอกให้เขาเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้เราเอาเข้าวผัดมาแทนนี้เราก็โกรธเอ้นถ้าเราไม่อยากจะโกรธก็เราอย่าไปอยากสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็รอรอเอาข้าวผัดก็แล้วกันเวลาเขาเาข้าผัดมาให้เราก็จะได้ไม่โกรธเพราะเราไม่มีความอยากจะกินก๋วยเตี๋ยว สั่งวุ้ยเตี๋ยก็สั่งไปอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าเขาจะข้ผัดมาให้ก็กินได้เหมือ น, นกันถ้าอย่างนี้ก็จะไม่โกรธเราจะไม่โกรธอย่างถ้าวรต่อไปใครจะทําอะไรเราก็จะเฉยแต่ถ้าเราอยากให้เขาทำอย่างนั้นทําอย่างนี้เวลาเขาไม่ทําเราก็จะโกรธขึ้นมาคำถามจากคุณพลอาการที่จิตมันดิ่งแล้วเข้าสู่อาการที่จิตส่งออกภายนอกเพื่อพิจารณาอาการจากภายนอก แล้วสิ่งรอบตัวดูช้าไปหมดแล้วย้อนกลับมาดูที่ใจคิดความคิดก็ช้าลงเช่นนี้เกิดขึ้นได้และมาถูกทางหรือยังครับก็จะว่าถูกก็ถูกครึ่งเดียวมั้งถ้ามันเด้งเข้าสู่ความสงบแล้วอย่าปล่อยมันออกไปให้มันสงบไปนานจะดีกว่าไวลามันออกมาสู่ร่างกายแล้วค่อยมาพิจารณาอะไรต่างๆได้ มาเดินจงกรมมาพิจารณาร่างกายมาพิจารณาอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตาได้แต่เวลานั่งสมาธิเวลาจิต ด, ดิ่งลงอยากจะให้รักษาให้มันนิ่งจะดีกว่ามันจะได้มีกำลังมีโอเบคาที่จะได้สู้กับกิเลสเวลาใช้ปัญญาจะาฆ่ากิเลสเนี่ยคำถามจากคุณลาวันค่ะดิฉันนั่งสมาธินสนบดีแต่จิตออกจากสมาธิแล้วจิตจะตื่นทั้งคืน วิชันพยายามนั่งสมาธิต่อแต่จิตมันเฉยเฉยเช่นนี้ถูกหรือผิดจะแก้ไขอย่างไรคะก็ลองเอาทางบรราัญญาถ้ามันเฉยแล้วทีนี้ก็เราก็พออยากสมาธิมาก็าเราก็ถ้ามันไม่ง่วงมันไม่หลับก็มาพิจารณาร่างกายพิจารณาว่าร่างกายนี้เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเพียงอาการสาสองไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้ไม่มีส่วนไหนเป็นของเรา ตายไปก็ต้องกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามมีสิ่งที่สกปรกมีสิ่งที่น่าเกลียดน่าขยะขยะงอยู่ภายใต้ผิวหนังมีโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีไตมีลำไส้มีอุจจาระมีปัสสาวะมีอะไรต่างๆอยู่ในร่างกายนี้ให้พิจารณาอย่างนี้แล้วต่อไปจะได้ไม่หลงไบรลกร่างกายของไข แล้วก็จะไม่ลไม่หลงร่างกายร่างกายของเราไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายเพราะรู้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นตัวเราของเราคำถามจากคุณอ้อลูกนั่งสมาธิได้สักพักรู้สึกตัวชาและเบาจากนั้นก็รู้สึกตกจากที่สูงจากนั้นได้ยินเสียงลมหายใจตัวเอง จิตเลยออกจากสมาธิเป็นเพราะอะไรครับจะทำอย่างไรต่อเพราะสติไม่มีกำลังก็ต้องเจริญสติต่อพอมันออกมาก็ต้องพุโทโธกลับเข้าไปใหม่แล้วดูลมหายใจต่อไปถ้าอยากจะให้มันกลับเข้าไปใหม่แล้วพอมันสงบก็ต้องใช้สติประครับประคองไว้อย่าทิ้งสติพอทิ้งสติจิตมันก็จะมันก็จะเร่งออกมาทันทีคาถามจากคุณปัมาพร ถ้าหมั่นพิจารณาตามความเป็นจริงอยู่เนืองๆใจเราจะไม่มีอารมณ์กับสิ่งต่า ง, า ง, า ง, างๆมากระทบหรือเปล่าคะหรือถ้าใจจะไม่รู้สึกต้องเกิดจากใจที่เป็นอุเบกขาก็ต้องมีทั้งสองอย่างไม่ทั้งอุเบกขาและเห็นความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเพราะโดยปกติอุเบกขานี้ยังไม่สามารถกําจัดความอยากได้ความอยากของเรายังอยากให้ของต่างๆเที่ยงอยู่ พอเกิดความอยากเที่ยงเราก็ต้องความจริงมาสอนใจว่ามันไม่เที่ยงจะไปอยากให้มันเที่ยงมันย่อมเป็นไปไม่ได้ถ้าอยากแล้วมันจะทุกข์เช่นอยากให้กล้วยกลายเป็นส้มอย่างนี้มันอยากไม่ได้กล้วยย่อมเป็นกล้วยส้มย่อมเป็นส้มความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆมันก็ต้องไม่เที่ยงมันจะไม่มันมันจะเที่ยงไม่ได้ความที่มันไม่ได้เป็นของเราจะไปอยากให้มันเป็นของเราก็ไม่ได้เราต้องใช้ปัญญาสอนใจแล้วก็ใช้อุเบกขาช่วย ช่วยช่วยต่อสู้กับความอยากถ้าเรามีทั้งโมเบขามีทั้งปัญญาเราก็จะสามารถหยุดความอยากได้ยอมรับความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายได้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราคำถามจากคุณตุ้มตุ้ยคะ่ะการเชื่อในกฎแห่งกรรมเชื่อในพระรัตนาตายว่ามีอยู่จริงอย่างจริงใจไม่เชื่อหมอดูแต่ไม่ลบหลู่ถือว่าเราละ สล่ละพะตะ์ปามาสแล้วหรือยังคะก็อยู่ที่ว่าละได้จริงเขเปล่าเชื่อจริงก็เปล่าเดี๋ยวเวลาเจอความทุกข์ขึ้นมาคนก็บอกให้ไปหาหมอดูก็ไปเท่า้ตอนนี้ยังไม่เจอทุกข์ก็พูดได้พอเจอเคราะกรรมขึ้นมาทีนี้อาจจะไม่เชื่อพระพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เชื่อกรรมแล้วก็ได้เพราะอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าใครแนะนาว่าไปหา ไปทำสะเดาะเคาะ์ อ, อย่างนั้นสะเดาะเคาะอย่างนี้นล้วจะหายก็อาจจะไปทำก็ได้แต่ถ้าเชื่ออย่างแน่วแน่ไม่ว่าจะเป็นจะตายก็ไม่ไปทำอะไรไม่ไปสะเดาะเคาะไม่ไปหาหมอดูเชื่อในกฎแห่งกรรมยอมรับกับสภาวะยอมรับกับผลของกรรมที่เกิดขึ้นกับตนอันนี้ต้องรอพิสูจน์ดูเพราะการเชื่อเฉยๆการพูดเฉยๆนี้มันพูดในระหว่างที่เรามีความสุขเรามีความสบาย เวลาที่มีความทุกข์ยากลำบากมาบีบคั้นดูดูซิว่าเรายังจะเฉยได้หรือเปล่าคำถามจากคุณปลายฟ้าค่ะหากซื้อของใส่บาทแล้วฝากผู้ขายใส่บาทให้ด้วยเนื่องจากประสงค์จะให้กำลังใจผู้ขายซึ่งแก่มากเป็นการทำทานถูกต้องไหมเจ้าคะคือผู้ขายก็ไม่ได้อะไรมากเขาไม่เขาไม่ได้ทำบุญเขาได้เพียงแต่ช่วยเราใส่บาทให้ แต่เราได้บุญเพราะเราเป็นคนเสียเงินเราเป็นจ่ายเป็นคนจ่ายค่าของให้ก็ได้ช่วยให้เขาหัดหัดใส่บาตรก็ได้มันเป็นพ่อก็ได้หัดใส่บาตรแล้วถ้าจะเกิดความรู้สึกสุขใจก็เลยอยากจะใส่ของเขาเองบ้างก็ได้อันนี้ก็เป็นวิจุบายอย่างหนึ่งหรือนพ่อแม่ที่สอนให้ลูกมาใส่าบาตรเมื่อกี้นี่ยมันสอนให้มาถวายของเพราะถ้าไม่สอนเด็กมันก็ไม่รู้เรื่องมาทําอะไรพ่อแม่ก็เลยบอกเออมาช่วยยกของถวายหน่อย เด็กมันก็ได้มีส่วนร่วมต่อไปมันก็จะติดเป็นนิสัยพอต่อไปเวลามันไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แล้วมันก็เห็นว่าเวลาทำบุญแล้วมีความสุขมันก็อยากจะทำขึ้นมาเองอันนี้ก็เป็นอุบายของพ่อแม่ของคนฉลาดที่สอนคนไม่ฉลาดให้รู้จักทาบุญทำทางคำถามจากคุณยายราษาถ้าลูกให้เงินเราเราเอาเงินนั้นไปแบ่งทาบุญลูกจะได้บุญไหมคะ ลกก็ได้บุญตั้งแต่ตอนที่เขาให้เราแล้วแหลอการให้เงินคนอื่นนี่ก็เป็นบุญนะไม่ว่าจะให้กับพ่อแม่ให้กับพี่น้องให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าให้กับสุนัขให้กับแมวก็เป็นบุญแล้วเพราะเป็นการเสียสละเป็นทานทำทานแล้วก็จะได้บุญบุญไม่ได้เกิดเพราะว่าจะต้องทำกับพระเพียงอย่างเดียวทำกับใครก็ได้เสียบริจาคเงินนี้ให้กับมูลนิธิไปก็ได้มูลนิธิคนตาบอดมูลนิธิ ป้องกตึงร่วมกับตันยูอะไรก็ได้คือถ้ามีการเสียสละเกิดขึ้นแล้วเราได้บุญแล้วคำถามจากคุณเจจิตสุดท้ายสำคัญไหมเจ้าคะเพราะได้ยินมาว่าจิตสุดท้ายเป็นตัวกำหนดภพภูมิจริงไหมคะไม่จริงหรอกจิตสุดท้ายเป็นเพียงแต่ตัวที่ที่รับผลของการบุญของการกระทำบุญทำบาปของเราเป็นเหมือนกับการเป็นการปิดบัญชีไง เวลาสิ้นปีนี้เราทําบัญชีกันทีใช่ไหมถ้าเราทําธุรกิจเราจะได้รู้ว่าปีนี้กําไรหรือขาดทุนเราก็มารวมยอดกันในวันสุดท้ายของปีเป็นการสรุปผลบุญผลบุญผลกรรมที่เราทํากันไว้เราไปกําหนดวันจิตสุดท้ายให้เป็นบุญเป็นเป็นบาปไม่ได้นีมันเป็นมาเพราะเราได้ทําสะสมมันมาตั้งแต่ตั้แต่เราเกิดมาจนถึงวันตาย จิตสุดท้ายก็เป็นเพียงแต่เป็นเป็นผู้แสดงผลลัพธ์ของบุญของบาป ท, ที่เราทำในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่ว่าเราจะไปตั้งใจรอทําวันสุดท้ายจิตสุดท้ายเวลาตอนนี้ขอทาบาปขอเที่ยวขอเล่นก่อนพะจิตสุดท้ายก็จะมาขอทําบุญทําไม่ได้นั่นแหละมันจะตายแล้วจะไปทําบุญที่ไหนได้คำ ถ, ถามจากคุณพนมพรค่ะลูกค่าพ่อแม่ ตามตริยกรรมใช่ไหมครับแล้วพ่อแม่ค่าลูกเรียกว่าอะไรครับแล้วกรรมต่างกันไหมครับต่างกันอนันตริยกรรมก็คือกรรมที่หนักที่สุดคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดและทําให้สง ย, ยุยงสงให้เกิดความแตกแยกสามคัคคีอันนี้ถือว่าเป็นอนันตริยกรรมถ้าเป็นโทษก็โทษประหารชีวิตนะ ส่วนถ้าพ่อฆ่าลูกพ่อแม่ค่าลูกนี้ก็เป็นกรรมธรรมดาเหมือนกับค่าคนอื่นค่าคนธรรมดาคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเวลานั่งสมาธิเกินน้ำลายได้ไหมครับเกินได้แต่มันจะไม่ได้สมาธิถ้าอยากนั่งสมาธิก็อย่าไปเกิ น, นน้ำลายถ้าเกินน้ำลายก็จะได้เกินน้ำลายแล้ <laughs> <laughs> วมันจะเกินไปเรื่อย คุณปายฟ้าเวลานั่งสมาธิพอลมหายใจเบามากๆโยมก็ตามดูที่ลมเข้าลมออกที่เบานั้นตอนแรกก็สงบดีแต่พอนั่งไปสักพักกลับรู้สึกอึดอัดและจุกที่ลิ้นปีโยมจึงถอนจิตออกมาเพราะนั่งต่อไปไม่ไหวโยมควรนั่งทาอย่างไรต่อคะเพื่อให้เกิดอาการนี้ก็ต้องมันฝึกสติให้มากขึ้นแสดงว่าสติหมดกําลังที่จะดูลมมันก็เลยเกิดอาการอึดอัดขึ้นมา ถ้ามีสติดูลมได้ต่อไปมันก็จะไม่อึดอัดมันก็จะสงบไปเรื่อยๆแต่ด้วยว่าสติเรามีกำลังน้อยถ้าเป็นน้ำมันรถก็เติมได้แค่ครึ่งถังเดินไปครึ่งทางก็หมดน้ำมันไปต่อไม่ได้เราต้องพยายามเติมน้ำมันให้เต็มถังพยายามให้มีสติเต็มเต็มที่ถ้ามีสติเต็มที่แล้วมันจะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้นี่มันไปได้แค่ครึ่งทางมันก็หมดกิเลสมันดันออกมา มันเหมือนชักกระเยอะกันเหมือนกันดันกันกิเลสดันใจเราออกข้างนอกสติดันใจให้เข้าข้างในทีนี้ถ้าสติมีกําลังมากกว่ากิเลสสติก็จะดันเข้าไปเรื่อยๆจนจะไม่รู้สึกอึดอัดพอสติอ่อนกําลังลงสู้กําลังของกิเลสไม่ได้ทีนี้มันจะเริ่มอึดอัดแล้วพอกิเลสมนเริ่มดันให้ออกไปมันก็เลยต้องออกนั่งต่อไปไม่ได้คำถามจากคุณป้อม บางครั้งการคุยกันปกติแต่ทําให้เกิดความโกรธขึ้นลูกใช้วิธีนิ่งและคิดว่าโกรธจะก่อใจเขา <c oughs> เราไปบังคับเขาไม่ได้บางครั้งรู้สึกน้อยใจแต่คิดได้เร็วเรียกว่ามีสติใหม่เจ้าค ะ, ะมีสติ ด, ด้วยแล้วก็มีปัญญาด้วยแต่ยังไม่ไม่มีกําลังพอที่จะหยุดมันได้ทันทีทันใดเพราะเรายังไม่ได้ไปแก้ที่ต้นเหตุคือความอยาก เรายังอยากให้เขาคิดเหมือนเรายังอยากให้เขาทำตามที่เราอยากให้เขาทำคิดเหมือนอย่างที่เราอยากให้เขาคิดพอเขาเถียงเราก็ไม่เห็นด้วยกับเราเราก็เลยโกรธเขาขึ้นมาหรือน้อยใจขึ้นมางั้นเราอยากไปอยากให้เขาคิดเหมือนเราต้องมีเห็นเหมือนเราปล่อยเขาไปทุกคนม <ali> ีอิสระภาพในคารในในความคิดในการพูดในการกระทํากาอยากจะคิดอะไรก็อยากจะพูดอะไรก็อยากจะทาอะไรก็เรื่องของเขาเราคุยกันได้ แต่เมื่อลงเมื่อตกลงกันไม่ได้ก็ต่างคนต่างอยู่ไปก็แล้วกันอย่าไปหวังอะไรจากเขาแล้วเราจะไม่เสียใจคาถามจากคุณบัณฑิตค่ะตอนนี้ผมไม่ได้นั่งสมาธิแล้วดูใจที่เป็นอุดะขอต้นนะคะตอนนี้ผมไม่ได้นั่งสมาธิแล้วดูใจที่เป็นอุเบกขาแทนความคิดต่างๆก็ยังมีอยู่แต่ไม่ค่อยได้สนใจในความคิดชอบที่จะวางใจ ตอนหลังมานี้บางครั้งมีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นตัวตนขึ้นมาก็จะวางเองถ้าผมฝึกในการที่จะวางให้ได้ตลอดจะถูกทางนิพพานไหมครับก็ถ้าเราสามารถลดละอัปตตาตัวตนได้ลดละความโลภความโกรธความหลงได้ก็ใช้ได้ครำถามจากคุณนัทนกเงินทําอาหารใส่ปิ่นโตถวายพระเป็นของข้าพเจ้าพี่สาวทําอาหาร ลูกชายถือปิ่นโตไปถวายพัะได้บุญทุกคนไหมคะก็ได้คนละอย่างกันเราก็ได้จากการเสียสละเงินทองเรียกว่าทานคนที่ทํากับข้าวก็ได้บุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อืน่นทำกับข้าวคนที่เอาอาหารไปส่งก็เหมือนกันเป็นได้บุญคนละแบบได้บุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อืน่นอันนี้สงฆ์ก็ไม่เหมือนกันตายไปชาติหน้ า, ลากลับมาคนที่เสียเงินก็จะได้เงิน ค, ค า, า, า, คาถามจากคุณเฉลิมพลเคยนั่งสมาธิจนมีอาการนิ่งเหมือนจะตกหลุมตกบ่อคือเหมือนตกเหวทาให้ภาวาหลุดออกจากสมาธิต้องแก้ไขอย่างไรครับต้องต้องคอยประครับประครองมันภาวะก็อย่าไปสนใจมันให้มีสติรู้ต่อไป คำถามจากคุณลาวันค่ะทำบุญให้เด็กกาําท้าคนละศาสนาจะได้บุญไหมคะได้ทำกับใครก็ได้เป็นการเสียสละจาคะเป็นเป็นการให้ทานคำถามจากคุณกิกตตกรค่ะสำหรับผู้หัดนั่งสมาธิใหม่ควรกำหนดเวลาในการนั่งโดยตั้งเวลาไหมครับ ควรนานกี่นาทีหรือดูอย่างไรครับควรกําหนดสติไม่ควรกําหนดเวลาสมัยพระพุทธการเขาไม่มีนาฬิกาเขามีแต่สติถ้าไปกําหนดนาฬิกาเดี๋ยวมันก็ไปจ้องดูนาฬิกามันถึงเวลาหรือยังมันก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้ดังนั้นการนั่งสมาธิต้องกําหนดที่สติให้จิตมีสติอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วจิตก็จะสงบสงบแล้วมันจะสงบนานไ ม, ไม่นานก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันครับ เป็นการนั่งสมาธิไม่ควรมี เ, มเวลามาเป็นกรอบบังคับคําถามจากคุณโก้การที่คนเกิดมารวยและจนเกิดมาจากบุญหรือเปล่าครับเนี่ยก็อย่างที่บอกอจากการทําทานเนี่ยคนที่ทําทานบริจาคเงินทองข้าวของกลับมาก็จะมีเงินทองที่บริจาค ก, กลับมากลับมาคืนให้คนที่ไปช่วยเขาทํากับข้าวก็จะได้ไปมีคนมาช่วยทํากับข้าวให้ตนเอง เห็นทำอะไรก็จะได้อย่างนั้นกลับมาคำถามจากคุณมาลิการทำสมาธิจะถือว่าเป็นการพักผ่อนร่างกายเทียบได้กับการนอนหลับไหมคะก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าน่าร่างกายมันถ้าต้องการนอนหลับมันต้องมันต้องนอนแต่ก็ได้การพักผ่อนเพราะว่าร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ทไม่ได้ใช้แรงงานก็จะเป็นการพักผ่อนร่างกายเหมือนกัน อย่างฤาษีนี่บางคนที่เขาเข้าฌานได้เข้าๆได้ทีสิบห้าวันนี่เขาก็เหมือนกับพักร่างกายไม่ได้ใช้ร่างกายทําอะไรก็เลยไม่ต้องกินไม่ต้องดื่มอะไรนานๆก็หายใจสักครั้งหนึ่งคําถามจากคุณประพาพรคําว่าคาราวาบรรุธรรมหมายถึงบรรลุอรหันต์หรือบรรลุธรรมเป็นขั้นๆเช่นโสดาบัน ติตาคามีอนณาคามีเจ้าคะก็ได้ทั้งนั้นเพราะเขาไม่ได้บอกไว้ไม่ได้บอกไว้ว่าบารรลุเป็นพระอรหันต์หรือบรรลุเป็นพระสูตรดาวบารคำบรลุคําว่าบารรลุธรรมนี่ก็มีอยู่สี่ขั้นด้วยกันคําถามจากคุณสิริกิเลศเป็นอ น, นิจจ์ไหมคะกิเลสมันก็ถ้าเราทําลายมันหมดมันก็หายไปหมดได้ถ้ามันไม่ทําลายมันก็ไม่หมดครับคําถามจากคุณชนะตน ปกติไม่ค่อยอธิษฐานเวลาทําบุญแต่จะทําทานศีลภาวนาบ่อยๆควรต้องเพิ่มการอธิษฐานขอให้ได้ทําเหตุแบบนี้ไหมคะก็เป็นความตั้งใจเราจะก่อนที่เราจะทำํำอะไรเราก็ต้องใจตัง้งตั้งใจก่อนเช่นก่อนจะนั่งสมาธิเราก็ต้องคิดก่อนแล้วเดี๋ยวนั่งสมาธินะถึงจะได้นั่งถ้าไม่คิดว่าจะนั่งสมาธิเดี๋ยวก็อาจจะไปเปิดทีวีดูแทนก็ได้เพราะฉัน้นการตั้ง ตั้งเป้านี้เพื่อจะได้บังคับให้เราทำกิจที่เราไม่อยากจะทำกันเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะชอบทำในกิจที่เราไม่ควรจะทำกันชอบเที่ยวชอบเล่นกันนี่ไม่ต้องตั้งเป้าเลยมันไปโดยอัตโนมัติแต่เวลาจะนั่งสมาธินี้ต้องตั้งเป้ากันเวลาจะรักษาศีรนี้ต้องตั้งเป้ากันเพราะว่าถ้าไม่ตั้งเป้ามันก็จะไม่ทำสักทีมันก็จะมัวไปทาอย่างอื่นแทนถามจากคุณสุวัฒนา ถ้โดนคนพูดใส่ร้ายเราและเอาเปรียบเราตลอดเราควรวางใจอย่างไรดีคะก็ถือว่าปากของเขาเราห้ามไม่ได้เราก็ดูความจริงไปเราเราเราถูกเราผิดอย่างไรมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่คำพูดของเขาเราถูกเขาว่าเราผิดเราก็ไมเราก็ไม่ผิดอยู่ดีเราผิดแล้วเขาว่าเราถูกเราก็ เราก็ไม่ถูกอยู่ดีงั้นอย่าไปนสนใจคำพูดของคนอื่นแล้วคำพูดของคนอื่นเราก็ห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ให้ดูการกระทาของเราว่าถูกหรือผิดคาถามจากคุณกาณีสีแ่แปเปิดแอร์ได้หรือเปล่าเจ้าคะถ้ามันร้อนจนกระทั่งมันไม่สามารถนั่งสมาธิได้เปิดก็ได้ถ้ามันมันมา มันก็เหมือนกับเราไปอยู่เมืงนอกหรือเราเปลี่ยนฤ ด, ดูโดยอัตโนมัติให้มันฝนตกหน่อยพอฝนตกมันก็เย็นลงนอากาศมันร้อนเราก็แต่ย์แต่ย์เปิดเพื่อความสบายเพื่อนอนสบายเพื่ออะไรอย่างนั้นแต่ถ้าเปิดแล้วช่วยทําให้การภาวนาของเราดีขึ้นได้ก็ดีก็ทําได้แต่ถ้าจะดีกว่านั้นก็อย่าไปเปิดก็ออยู่กับมันอยู่กับความร้อนไปแล้วก็นั่งสมาธิไปเพราะ้ถ้าอยาก ถ้าต่อไปอยากจะเปิดแอร์แล้วไฟดับมันก็เปิดไม่ได้อยู่ดีมันก็อาจจะทุกข์ได้ถ้าไปติดการเปิดแอร์งั้นก็ต้องระวังว่าการใช้อะนี่มันมันมันใช้แล้วติดหรือไม่ถ้าใช้ไม่ติดแล้วมันช่วยทำให้การภาวนาของเราเก้าวหน้าก็ใช้ได้ก็ต้องรู้จักใช้ด้วยความระมัดระวังก็แล้วกันถ้าเป็นไปได้ไม่ใช้มันได้จะดีกว่าเอาแบบธรรมชาติ หมดแล้วนะก็ดูพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่มีแอร์ใช่ไหมกูบาจาย์ต่างๆท่านก็ไม่มีแอร์เวลาท่านปฏิบัติแต่ท่านก็ไปหาที่เย็นท่านก็ไม่นั่งกลางแดดหรอกใช่ไหมท่านก็ไปนั่งโคนไม้ไปนั่งตามถ้าตามที่มันคือบรรยากาศมันก็ต้องเอื้อเหมือนกันไม่ใช่มันขัดกับการนั่งมันก็นั่งไม่ได้ผลมันก็ต้องทําให้ร่างกายสบายเมื่อร่างกายสบายเวลานั่งใจก็จะได้สบายได้ ถ้าร่างกายมันไม่สบายเวลามันนั่งก็นั่งไม่ได้นอกจากเราต้องการใช้เป็นวิปัสสนาก็ให้มันไม่สบายไปพิจารณาเป็นทุกขเวทนาไปแล้วก็ฝึกจิตให้อยู่กับทุกเวทนาไปอย่างนี้ก็เป็นวิปัสสนาหมดแล้วใช่ไม้มไม่มีเข้ามาแล้วใช่ไหมดีเพราะฉะนั้นก็คิดว่าพอสมควรกับเวลา